ชีวิตเรามีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมาที่จะองนกว่าทําด้วยองหยู่เหนือโลกหรือพ้ยอย่างความพวใจความไม่พอใจความขัดแย้งใจความเกิียดเกลียดใจไปเรื่องเพราะว่าคนมไม่ได้สดับไม่สดับไม่ได้รินริม่มควา ม, ม่มีสุขภา เพามมีสุขะความคิดอะไรไมเกิดสุกะนี่คือการยึดฝังจินตาที่จินตาคือความคิดไม่มีความคิดความเข้าใจการที่จะทำให้สมาธิติดคาหรือการเรียนรู้มันก็ไม่เกิดขึ้น คนที่เกิดมาในโลกนี้ถ้ารียื่ฟังได้สักคำคำสอนของรพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคืออะไรทุกเกิดขึ้นได้ในทุกดับไปได้ช่วยอาไัยคือเทคโนี่ยีขอ ง, ของในในด้กยุคสมียศักด์ชีวิตนิสัยที่มีการพัฒนาเป็น ทิ่ทางที่เป็นสัมมาวายามะนั่นยังไม่ดีเล้ฟังก็เกิดมาท่ามกลางบรรยากาศขอกความเข้าร้อนความเร่งราบเรื่องกินต่หัราคะหรือหลากรุ่นรถยนตสแตดาร์ดรยุงนี้ป็นยุคคนขี่ตัว เรื่องของการแข่งขันการลงทุนอย่างนี้ราคมียอมีสรรเสริญก็เลยการเสื่อมกระสรมีลมเป็นเาตายไม่เป็นเรื่องเศรษฐิจสังคมการศึกษามันร้อนเรื่อยๆเมื่อตั้งแต่เมืองคือสังเกตตัวเศรษฐิจก็แย่คือทุกอย่าง มันมีค่าแต่วม่ากายเป็นสูงในวันหนึงเนเดือนเรนาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามบาทอะไรนันท่านตาแต่ผักก็เพิ่มขึ้นไม่มีสิบบาทเลยไการเงินเลขไม่มีสิ บ, บาทเงินสิ่งของที่เราใช้กันเรื่องเงินเลขเปลี่ยนที่เกสมมติเนี่ยค่ามันน้อยลง้อ เงิ น, นเดือนพุ่ขึ้นแต่เป็สิ่ของแพ่ที่ธรรมชาติเพราะทการเิ็สูงยีน่งพุ่งขนมานต่าแต่ว่าอุปสงค์ประธานไม่สมดุลกันีมาเป็นเงายเปหน่งเยอะความต้องการมันสูงแต่เรื่องการวัดมันก็น้อย ที่มาตอบสนองก็อยา่าแต่บางคนแต่งใหญ่ได้เขาก็ปั่ราคาขึ้นมามันงรมเขาป่าทองคําในตรลาดน้ํามันน้มันดิบเป็นทองคำดำคนมันใหญ่ำดำ ไ, ได้ใหญ่ ไ, ได้อของน้อยเขาก็ปั่นราคาขึ้นไปนี่เรามีวิชาที่ติดมากเห็น่าสิ่ ง, ง, ง, งเหล่านี้คือ สิงที่จะมแก่ทุกขึ้นกับตัวเราเองเราจะความรู้สึกแบบนั้นเราจะแย่งเงนซื้อแย่งเงนอยากได้คนขายก็ขายเพราะมนุษย์เนี่ยมันสภาพวัตถิคนมันมีแบบกันที่มันมีกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวคือดูฝนก็ดูอะไรย่าง ุเกิเก่เกิดได้ตดเาย่าที่บอกนะยุงถ้ามันหลอย aces, ed, ่างี best, inside, ano, ้ยุงรงนี้เลยมาสัตว์พเรียกอมัน <birthday> ที่เกิดเติบตนื่การปฏิอิเล็กเนี่ยเติโตทุาการนาวอิก็เกิดร้อนก็เกิดเย็อิเลก็เกิดเกิดที้หมดความรู้สึก ความรักความจังโกรเกลียดอิจฉาความอยากมากตลอดแสดงคนในขณะที่มีสำรวมระวังไี่เอาใจใส่ในกระบวนการความรู้สึกนึกคิ ด, คดตัวเองคนนั้นีะต้อท่าทางความคิดความรู้สึก เราบางทีวิ่เกิดแก่ติตายก็ยากลำบากแล้วยังมันเป็นสืบะสบทีกับความหลงผิดของเราอนั่นก็ผิดความหลงผิดที่หลมารูปขที่เป็นของเรากายเปของเราจิตเป็นของเราแต่เราไม่เกิดขึ้นเราไม่ามหมดเลย ไม่อจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารความคิดความรู้แต่ความอยากความเจ็บปวดเมื่อยมาเป็นตัวตนของเรามปนงู้ความร้อนควาหนาจิตมันรับเอาหมดเลยจิตงู้อาศัยอยู่ในกายเน่าร่างกายเน่าอยู่ตรอดแต่จิตมันฉลาดที่จะโดดออกมันพยายามปิเรื่องของร่างกายนี้ไม่ได้ ท่าที่กายก็คือธรรมชาติแต่จิตมันก็เพลินอยู่มันไม่หายต่างอากโ่อธรรมชด้ิของ่าขันธ์รวมกันกินข้าวและโภชนาห า, านมันก็โตขึ้นตรงขึ้ น, น, นเอาคามไแต่ตัวมีความรู้สึกลึกคิดสุขบ้างทุกบ้างหวานเด็เกจ็ิง ความึกแ บ, บนเข้าไปรับ ร, ร, ร, รู้ร่ยมัเรียนรวทาามีความชาี่ยวชาะาญิยาที่มโนะแบนีุเรียนเฉพาะเแต่คนไม่รู้ควารู้สึกก็อาจจะลืเพิ่มกับการศึกษรอบ ที่กับชีวิตโดยเพื่อเคลืไปทางเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นชอบวิธียึดก็ไหลไปําชอบชังวิถียึดก็หมุมนไปตามความชังคือความชอบความชังพอใชไม่พอใจเราไม่มีสติพอที่จะเข้าไปรรู้ว่าเป็นอนาามันไม่มี่ม เ, เกิดสักดังวลเรารูนั่งดู มันมีเกิดไมีดับงพอปล่อยวางให้จิตก็จะ็นความใสขึ้นมาคือจิตก็คือจิ ต, จตไม่ให้อะไรพปรบกวงการจิตมันไม่มีมันอยู่โดยธรรมาติเพราะมันมันมีความผสองใสในตัวเหมือนพุทธภาศิตที่พระองค์งตรัสกับพุะิษุว่า เพราะว่าสระนี้ทงจิตตางที่เก่าองดูคามรสึมาเรวจิตนี้ประพสอนประพัดสอนผ่องแสงความสว่างในตัวแตที่มขุดมัมวเนีเพราะว่าหินอคันุเกออคตุเกสิอุกุติอุบุตธรม เป็นอุปกิเดชอุปกรีเดชก็คือสิ่งที่มันจอนขึ้นมาเวลาเราคิดปุ๊บกระทบอะไรนั้นสตที่มีตัดกระแสวงจรบนไฟฟ้าแล้วมีปัญญาตัดกระแสวงจรของจีได้พะกระทบปุ๊บผัดสับเป็นมีขนาดขนาดก้อนา เป็นพบเป็นฆ่าขึ้นาด้เลคือมันชอบมันใช้มาในสิ่งปัะสทนะครมันจะหมนีิกายใจความสึกนึกิดยิ่เพราะตัดไม่ขาดมันก็ปรุงทำงานกันอยกระแสะของโทรศัทมัวโลหกระทบธรรมดาสักพักโยกยุบตป็นลาคะ่ะ เ um ี่ยงเป็นโมัสกด้เป็นโมหะเป็นความหลดแล้วก็เพลงเป็นอัตตาฝังหน้าลึกอยู่ในใจไม่จะเป็นเงี้ยทุกวงจรทีวันหนึ่งเราก็ทุกประสาทเนี่ยจิตเราไม่ทันกี่ครับเป็นร้อยๆเป็นพันๆที่คนคิดว่าเป็นหมื่นๆครับก็เป็ทุกข์ขายใจจิ ถ้าให้อาการที่เกิดในจิตไว้ๆทุกข์อาจจะติดปูนักคูนาง่อยๆจะเป็นทุกข์ปปร่ำไปเดี๋ยวเราก็นใีใจเราก็เสียใจก็ทุกวันมีสิ่งด้วยร อ, องมองสิ่งกระทุ้มีนก็ไมเกิด อ, อารมณ์ก็ไม่ลาลายความเจริญเนี่ยที่จริงก็เอาให้คมีสติปัญญาบริโภคมาเกิดเหตุเพราะมัน อยู่โกสมัยคนโง่จีตมันโง่ในมือถือโนโทรศัพท์ถ้าคนถนัดใช้นเ ป, ไป็นระย์คนโม่ใช้งสนองหนี ก, กทาพวกคมอมพิเอร์พวกเฟซบุ๊กพวกอะไรเหมนกันที่สีเครื่องมือนี้ให้ํำรวจใช้ไปโจมก็ใช้ได้เหมอือนกันแล้วโจนพัฒนาได้ดีกว่าเลย ม่นกันตีเด็กด า, ร, ารุัฒนาของมนชารูปมีการสด้างงานสำคัญยานแต่ม่พลังปลาสอะไรนะมันไหลเลยตุ้งแ้วตุ้อีกตุ้งั้นตุอีกเปิดสรกเนี่ยเหมัอนที่เขเขียนไว้สัตรกนไม่รู้จักว่ามันตกนรกสัตว์กรกมไม่รู้ว่ามัน จลองเห็นไหวอยู่ในสารศาสตว่าจบอูในความคิดในอารมณ์นี่ต่มันไหลไปเรื่อยไปเรื่อยผู้ที่ศึกษาผู้ที่การเกิดการเกิดแนวหมาย่ึงการเกิดอารมณ์เกิดความคิดการเกิดทางนามรูปการรูปเกิดทางความรู้สึก เกิดอัตราตัวตนในแต่ละครั้งใ น, นปิวันชาติหนึ่งปีวพกหนึ่งเกิดไปแวกระกดับไปเกิดไวกระกดับไปทีนี้มันก็เหลืออุปทานขันดนุ้ยให้แล้วที่บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศในการแข่งขันที่เราต้องคิดมาก ไปอยู use, ่ในขั้งการปัญหาความรู้สมบูต้องเป็่นขันเนี้ยวงจรปฏิจจสมุกวป่าที่เกิดในจิตเราเดมาที่นี่เกิดมาแต่ที่มันเป็นดับมันไม่ดับมันหมุนหมุบไปที่อุปทานขันหน่วยพฤติกรรมในที่จํมบานนที่ทำทุกอันทุกอันทำเพราะอำนาอุปทาน กูปารานโดยวความยึดมันถือมันเพราะไม่มีวิชาวิชาโอยความรู้แก้วิจัยคือฟังแก้พัฒนามาจากไหนพัฒนามัาจากสติจากการพัฒนารู้ที่ไหนได้ยินได้ฟังคิดแล้วก็เอาไปเข้าดูเข้าใจได้รู้ ภาวนาเราต้องอดการอบรมอบรมจิตนะจิตนี้ไม่ได้หอกไปไหนเพรก็รู้ ม, มันเพราะเรียนรู้ ม, ม, กออกมากๆมันต่อเนื่องจนถ้ว่ากิเลสที่มันหอ่อหุ้มใจมันลุ้ออกไปมันเลืเป็นจิตคนรู้แ่้วนะเหมือนจิตจตีิงๆก็คือเมื่อในกิเลสต่างๆนี้เป็น ในที่เราสวดไปเม่ี้พูดถึงเรื่องนิวรานะนิวรานก็เป็นเกิดของจิตถ้าแต่การว่ามุ่งมีด้วยการัดเกลื่องความมุ่งมองนองความคุ้่างความไม่กังเความนัมงเบื่อเกจิตมันไม่ตั้งมันไม่ใที่ของสมาธิสักกัน เป็นืชเลือของแตงพาวราดูการเราเข้าอบกลมเหมือนเหมือนไม้เลืออะไรัยเนี่ยเอกโทั้งวันห้มันจะแยกเปลือกออกจากแกงมันได้เบ็ดมวนียเลือของเป็นเงมนแกมันเป็นเงินนไปที่มันจะงอเป็นนี้ที่กเหมือนกันจริงๆนล้วมันกับความรู้สึกเนี่ย จิตยังคนอันกันแต่รู้เคยแยกเราเรียนเราศึกษาเราใช้สื่อดูหนังเร่องนลายเป็นอันเดียวกันในความรู้สึกที่กับจิตมันเป็นอันเดียวกันเลยหมดนะแล้วเราสัมผัสต่ออะไรที่ปัจจัยมันคือการเป็นอัตาตัวปรุงที่มาเรีย มองในไรก็อะไร่เป็นอัตาเป็นตัวตนเพราะเป็นตัวตนเราก็ต้องรับใช้ไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเลยกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสมันเป็นอย่างนี้หรอรู้สึกต่ออะไรแล้วออกยากรักก็ตัดรักยากชังก็ตัดชังความชังยากมันมีติดอารมณ์ติดความคิดอะไรเลิกคิดยากใครว่าคนมีกิเลส นี่ตัออกไปได้เลยรู้เหยียดหารุ่นย่ากระานมากตักมันไม่ออกผมมีกิเลก็ต้องมีวิบากวิบากคือผลผลของการมีกิลคนไนที่มีความรู้สึกิดเนีก็ต้องทำตากความรู้สึกคิดนะ คือสายไม่เป็นไม่มีภาวะที่จะไปสายธรรมชาติของการดับทุกข์ดับเพียรดับตัณหาเนี่ยเราไมมีพอไม่มีเราก็ต้องอยู่ความรู้สึกเป็นเวลาเรานั่งสั่งใจว่านั่งในส่วนแสงึ่งจมอยู่ในความคิดตลอาเมื่อลอยนั่งคือเข้าไปอยู่ในทุกเข้าไปอยู่ในอารมณ์เข้าไปอยู่ในความคิด ออกจากความคิดไม่เป็นคนไหนออกจากความคิดไม่เป qu okay. ็นที่ว่าออกจากทุกข์ไม่ได้ที่ใทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์คือทความคิดนะเดี๋ยวนี้เราออกจากทุกข์เนี่ยมีทุกข์ไหนอ่ยออกจากทุกขคือออกจากความเจ็บปวดนะครับติดแค่ได้ป่วยแล้วก็อยากออกจากความคิดแค่ได้ป่วยให้มันหายแล้วมีความรสึกแค่นนะ แต่ความทุกข์ในพุทธศาสนาที่เป็นทุกข์อริยสัจเนีคือทุกข์ที่เกิดจากจิตตัวเองเกิดจากกิเลสตัณหาทุกที่เกิดจากกิเลสตัณหาอันนี้ที่ทุกที่เกิดจากผู้เขวิดานานพูดเื่องกันทุกเขวิดานเป็นธรมชาติเกิดเปลี่ยนเปลนกาเป็นธรรมดาเราจะออกไปไนอรกออกไม่ได้แล้วเพราะความรู้สึกขระลุทำก็ตายไป แต่พรอิย้าสามารถออกจากกิเลสตัณหาที่เป็นมายาปรากฏอยู่ในจิตเนี่ยสามารถทำลายหรือความผองใสใี้ออกปรากฏ ไ, ได้ถอริยเจ้าทั้งหลายสวยวจิจาาฉพอะทางกายทางจิตมันไม่เป็นแต่พไม่ได้สติกลับฟังมด้ฝึกนไม่ได้ว่เปเปลีป่ย น, น, นเนี่ยวทนาาทางกาย ก็ทุกมากเวทนาจิตความคิดอารมณ์ก็ทุกมากแต่ว่ามัไม่มีมันไม่มีมันเป็นอนัตตาแต่คนไม่รู้อนัตตาเป็นยังไงเราก็จึงอย่างนี้เขาอยนความคิดนันแหละแล้วเราก็เพลินในความคิดด้วยการความคิดได้นิตวิบากคิดเอได้ ตืนนสติปัจจักต่อเท้่ยแต่วาระตราบริจาคมีมีอารมณ์ใสอารมณ์ใสก็คือความรู้สึกแบบนี้นี่ยมันฝังอยู่ในจิตเนี่ยถ้าไม่เอามันออกมันเป็นมนเดิมอย่างอารมณ์นาเนี่ยการความพอใจในผู้ก็สิ่ง พกเพราะปฏิบัติ อ, องเข้าใจผิดต่อรูปต่อนามต่อสภาพธรรมชาติคือถ้าเรามองผิดเห็นผิดเราจะปฏิบัติต่อมันผิดเราเห็นรูปก็เป็นอ า, ากาศตัวเปิดติดของเราแล้จะติตถือมันม่นถือมั่นเงนเวลาเราพูดที่ชวมเกิดจากคนอื่นทําให้เกิดจากคนนั้นดูด่าไปเชื่อไปจนเกิดจากร่างกายนี่เกิดมา เ, เป็นเปแล้วนี้ เข้าใจผิดนลยแล้วปฏิบัติเราุ็จะผิดไปแต่เรากรู้สึกว่าทำไมที่ต้องเป็นแบบนี้แล้วจะถามขึ้นมานั่นทาไมที่ต้องเป็นแบบนี้คือเรามองหาความสุขของมทุกจากปรากฏการณ์แบบไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจวิธีถ้าเราเข้าใจเราก็เข้าใจแบบตื้นตื้นเราก็สร้างจริยกรรมขึ้นมนมีการขอโทษมีการขอบคุณ มีร่ามีเย็บมีสาร เ, เสร่อเราสมมติเกิดขึ้นมาล้วก็สวยหนาวนนี้ตื้นๆนแต่เราไม่ได้มองไปที่ร่างเล้าของมันสัจจะคือความจริงมีจริงไม่าันเกิบนี้รักทางโกหกเกิดแตกเกิดตายยี่าาสิตนาสนาพระพุทธมรมาในนี้ยริงไหมถ้าเราไปพ้อดูตรงเหตุคนจริงเขาเรียกว่าดูแบบอะไรเงสั้ อริยะสัจคือความจริงพวกเราดูความจริงไม่ใช่มองแค่ผิวเผินข้างนอกที่ปัญหามันคือคนเนี่ยไม่มีสติพอที่จะมองด้านในเป็นแต่อมองแต่ข้านอกความรู้เรได้ข้างนอกเป็นโลกีอละปัญญาไม่ใช่โลภุตาละปัญญาโัวกิเลสก็คือความรู้ ความรู้ที่สองตอบตาหัวุมูดิ้นตายในความรู้ที่ทำให้เราติดอยู่กับโลกนี้เรีว่าโลภียะที่โลกุตตระคุณหมายถึงความรู้ประเภทหนึ่งที่ทำให้คนค้นไปจากโลยีวิสัย แต่เรื่อทคำพ้นโลกเรือกุโลกตะระพ้นโลกก็คือพ้นจากอารมณ์โลกปดลงเพ้นจากการติดความคิดความหวังอยู่ในลาบยึดเลสลื่อสุดเนี่ยเรามองไนิดเดียวเนี้ที่ทำในความรสึกนี้ก็พ้นไปพ้นจากความรสึกเนี่ย ความรู้อันนั้นเนี่ยรียกว่าโลกุตะระธรรมธรรมะที่เหนือนล้าเืองจากความพอใจไม่อใจออกไปอย่าเราเล่นอยูอยที่สุดตเนี่ยมันอาจจะไม่มีความพอใจไมพใจแต่ปรากฏการ์ตปปปนี้ไม่ยีดสตินั่อยู่ตืนไปแต่พอกระทบแล้วก็เกิดนั่นแหละแต่ที่มันอยู่ในนั่งเป็นร่นาเป็นน่กเป็ น, นเยอ ที่ฝังในใจนั่คือหน้าที่ของมีปรสนาญาณที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะก็ไปสลายผลาญกันแต่ถ้าเราเอามิออกยังไม่ได้กระทบผัสสะก็จะมีอาการอยู่แต่ถ้าได้อยู่คนเดียวที่เฉยก็เกิดประคองเป็นปัญนาของมีกระทบผัสสะดันชอบทางเป็นกีเลส กิเลสมันอยากทำมันอยากพุติดใจมีความหลงคือหลาัแต่แต่น้อยหลงว่าอันนี้ใลูหลงนามลูงกายลนามงความรู้สึกทุกอย่างเราพบปัจมันไม่เป็นธรรมชาติเกิดแต่เป็นความชอบความชัง มันก็จะเกิดตัณหาความคิดยมันะออกไปาสามอย่างมึนกลางกา ม, ามถ้าโตมันหน่อยปปกอยเ ป, เ, ปเรื่องเพศแต่เกแก่มาหน่อยก็จะปเรื่องความใขรในตาหูจมูกริมกายในภาษาอายะตาะอายะตนะเร า, า, ราที่เชื่อมต่ออารมณ์ตาชอบกบของรูปหูทอบก็บเสียง จมูกชอบผักับกิ่นิ้นผัสสกับรถกายกะชอบสัผัสจิตกชอบคิดอารมณ์วิ่นแเรืยไปมันจะติดอยู่กับอารมณ์วจมอยู่ในอารมณ์ถ้าเป็นอย่างนี้พวกเนีเรียกว่ากามกาม กา ร, กรเรขาเรียกว่าไข่เคลืก่การับการกิ เ, เลการวัตถุการกิเเป็ิให้ไข่วัตถุเป็นอิทินคือความไข่รูปมนุษย์นี่รูปผู้หญิงก็พผู้ชายจิตมนะันจะติดนะเพราะคนติดกิน เม่าเคยกินมากินมากินมาจกชอบพอวันแรกๆเาไมไ้มีอย่างแรงคนึกถึง่องยกมัหาคิดเรื่นมอาหาแล้ว่นี้จิตมันเป็นเรือความค้การความค้างค่ายาความทางนอปากคือมันยึดติดมาเราทำไๆทำทุกวันทุกวันกินทุกวันเป็นความสุ ทางตาก็จะกเห็นนะถ้าตาบอดมีนทุกตายในมนกษย์เ น, นี่นยแ ต, ต่ตที่เห็นก็เออวิญญาณทางตามันดับไปที่เฉยแต่ชีวิตมันไม่อยู่ลูกคนเราเงิ่เดินเนินไปเปลีย่ยนเอาวิญญาณมันขาดออกไปให้เฉยก็มไม่ไหมายว่าจะทำให้เราเป็นปทุกข์นะแต่ถ้าผู้ที่รู้มันเทุกขตายซึ่งเกิดดีคนก็รยวยทแล้วเกิดปฏิเสธทางชีวิต การ่างกายก็ตายคิดมามคิดไมกระทั่งว่าดั้ไม่มีที่เสืยอมก็ต้องตายถามว่าจะหายใจได้หรือยม่หายใจได้แต่ทไมเขทกไป้นพราะเขาไม่เข้าใจชีวิตไม่อยู่เพื่ออะไรเขาอยู่ด้ความงามความรำร้องแสนเสื่อม มันกรมตัณหาถ้ามีกเลก็จะเป็นตัณหาตัณหาเรื่องคติในกรมการมตัณหาความอยากในความไข่ความคิดเ็นความไข่ตัตา้วเพื่อเพลนนี่ปัจจุบันที่ใหญ่ที่พูดไปีกเเป็นเฟื่องฟ มันเข้ามาทางามหนังสอหนุ่มร่ากายแหลมคมมากแทงเข้ามาใทุกแบบจิตเราก็เหมือนกันคิดคิดข่าประเทศคือสังกยแต่ก่อเราคิดคิ ด, คดปเปลยนตัวยามากอยู่ในครอบครัวหรือมันโลกมันกว้างมันคิดมากคิดไ้ไกลเลย <c oughs> เป็นตันหาการมั่งค่งภาวะัหา ถ้า <Yeah. S 1> มีความอยากนะอยากในกรมอยากทางตาถึงว hmm. <Yeah. S 1> ิตกใจเนี่มันจะท้องใส่อาหารที่ไม่ได้มามันอยครอบครองครอบครองอารมณ์ที่เสื่อมไม่มีอะไรนะตอนนี้วอกมีก็อยู่ด้วยกันเลยถ้าไม่มีอารมณ์จะมีความสุขมากชีวิตเนขาจะอยู่ด้วยกันกับ พวกขอที่มีอะไรเป็นเพื่อนกันแต่มนุษนี้ยในเรืที่อารมณ์อยากอยู่ด้วยอารมณ์ไม่ใช่อยู่แบบเพื่อนโลกโลกเกิดเกิตายยิ่งเราไปจูงแต่งอารมณ์มากเนี่ยมนุษย์ตีมีเมียสองสามเลยมันกลายเป็นมนุษย์คือมันพอไปจูงแต่งมันจิตมันจะไม่เป็นธรรชาติ สัตว์นี้าเหลือเขาเป็นธรรมชาติเอาไว้อย่างการสืบพันธุ์เนี่ยสัตว์เขามีธรรมชาติเป็นฤดูจบก็จบเป็นฤดูฤดูฤ ด, ดูมันก็ไม่มีฤดูมนุษมีกลุงแต่งความรู้สึกขึ้นมาชอบอะไรได้จะกลุงแต่งมาเลื่อเลยมันมีอยู่กับตัวเองตลอดเวลาซึ่งเป็นสัตว์ที่ ทำนายโลกกว่านี้มันตนี่ยใจเดินควารู้เนะเพความรู้ีความหยาบมากความหลงอารมณ์ตัวเอคือไม่ศึกษาติจกรรมนีไมันก็ไม่เข้าไปสลายอารมณ์อะได้ที่มันเริ่มเกิดขึ้นความไข่ลงมาแล้วก็ต้องแสวงหาวัตถุแสวง ห, หาุคคลสวงหาทุกอย่างเพื่อมาตออสานอารมณ์นี้ย นั้นโลกนี้มันมีขีจำกัดว่าถึงสีของแล้ก็เอาไปใช้โม้พอแล้วมันก็ตอบสนองมันเป็นบริบทของความอยากเรามันก็ต้องเป็นอยากได้อยากไในกรรมแล้วก็อยากได้เพอะอยากได้ก็อยากเป็นอยากมีเขาเรียกเพราะวะ่าอัตหาเพราะวะ่าเจอพบเจอวัที่อยู่ อย่าครอบพออย่ามีตำแหน่งนั้นอย่ามีตำแหน่งนั้นคิมาความรู้สึกกอถ้าได้ตำแหน่งนั้นน่าจะมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้เรื่องนั้นขึ้นมาดีมักสวงหาจิตถ้าได้ตำแหน่งพกุกรูปน่าจะได้ดีกว่านี้ความค่อยมีการน่าจะเกิดขึ้นตนี้ความค่้ยจังตาหอจมุกพิกาย น่าจะมีความสะดวกในการเสวยครับจริทุกมนไม่มีอยู่แล้วชีวิตเนี่ยถ้าเราเดินทางถกเนี่ยไม่ต้องมีอะไรย่มีการศึกษาไม่มีอะไไม่ตงมีเงินทองเข้าขออะไรมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วแต่เพราะเราไม่รู้เรานี่มีมากนี่หลงปรดนี่ทุกมากกว่าเดิมดดีธุรกิร้ทางลานมันมีความสุดคล้ออทาง ถนนเนี่ยมันเหมือนกันนะคือตอบสนองความรู้สึกเหมือนกันเพทามีความรู้สึกจะได้กิมนมาเนี้ก็พอกล้วจิตเขาแต่วลาเศรษฐีที่มีความคิดเรื่องธุรกิจการต้องพัฒนาต้องสวยาผลกำไรต้องทำนู่นทำนีย่อยอดทำจที่ไปธ น, นาคารซสารประ ก, นกนาาันธนาคารเขาปิดนะ ต้องทํา so ็อ no. so ้องให้หาประกันต้องทาทำนี่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยต้องทำยอดทำอะไรบางคนได้ไหลาออกหรือถ้าสบายหนาทำยอดคนหนึ่งต้องหาเงินแล้นั้นเขาก็ไปเขาให้ยอดมาเขาต้องเอาที้กับน้องเอาไปร่นมกับร่นมกับคนยาติ เพราะมันอยู่ไม่ได้ธุรกิจประกันเงินเขารุกหนักธนาคารเา่งฝากไม่ได้ถาเกิดเรานอดีนัสาวธนาคารอยู่ในห้องแอร์ผงใสยี่ลี่นาเป็นดเปความคิดมากเพราะเราหลงตัวมากความรู้สึกคคิดย่างมันไหลไปตามกระแสมากมันก็ทำให้เกิดความปั่น่วเกิดความผิดพลา มันเป็นความหนาแน่เพราขัดสติรับเพราะเข้าใจต่ชีวิตนี้เฉยมมีสมาทิฏติความดีที่ถูกต้องต่อชีวิตที่มันพาดไปหมดนะการใฝ่หาความสุขมันจาไปหมดหาความสูขไม่ได้สักอันเหมือนที่เราเข้าใจเราหน้จากหน้าจากเพราะเป็นนิจจได้ไม่เป็น้ครคม่สุขให้ กาเป็นเด็กว่าจะสุขเป็นหน่ป็สาวม่มเป็นสาวไม่ใช่ต้องหาผัวาเนี่ยว่าผัวมีได้จะมีความสุขง่ายๆต้องมีลูกพอมีลูกอาต้งเลี้ยงลูกเพอเี้ลูกเอาเขาแก่เจ็บตายก็เลยถามตัวเองสีที่เราสวยนฐาเมื่อไหร่ได้จบสิ้นเมื่อไหร่เราจะไทุกขสัทีเมื่อไหร่จะได้คาตอบหรือเราเกิดมาเป็นเพี้ยวัแตกไปวัน เราไม่ร th ู đ đ ้แก้สิ่งกระทำที่โบียร์จะบอกท่อมาทานี้มาทนี้เราก็ไม่ไปเ้าไม่รู้อย่าไปทางนั้นมันพุนะอย่าเข้าไปในอารมณ์นะอย่ายกความคิดนะถ้าอยู่กความรู้สึกตัวนะลงไปถึงรุ่นถึงรากถึงหัวมันนะถ้าเป็นผกวันนะเป็นพืชเนี่ยก็ต้องลงถึงรากถึหัวขุดต่อให้ได้ ไม่ใช่ตัดแค่ความคิดตื้นๆ น, น, น่อยแค่ความคิดมันก็ตัดได้แต่ตอะไรที่มันจะรู้สึกความคิดนั้นเราไม่รู้พอไม่มุ่งเราตัดความคิดเดียดออเด๋ยวความคิดก็เกิด อ, อีกเดี๋ยวความคิดก็เกิดอีกเลยนะภาวะปัญหาความอยากเป็นอยากมีเพราะมันไม่ดีเลยถ้ามันมอยากเป็นจะมีแดี นั fate, pues ่คนเรียนก็แย <ine> ่งแย่งตำแหน่งย <Should> ่งหน้าที่แย่งการงานเพราะมีอัตราอัตาอัตราคือตัวตนเพรมีตัวตนต้องหาที่ตั้งของตัวตนเนไงคนเรียนสูงก็ต้องหาจุที่ตั้งของตัวตนใี้จะ้ยอะๆตำแหน่งใหญ่ๆนี่อยู่ได้ถ้าตัวมันใหญ่เรียนย่งมันใหญ่การศึสามันใหญ่เพราความคิดมันก็ใหญ่ แ้่ไปทำงานในแถถูบ้านถูเรือนแล้วสูไ่างอไรไม่ได้คนในตึกเองไหอนกันนู้นมองไปขึสูงงานตึกเองอะไรสารพัดคือมันต้องหาที่ตั้งให้มันเพราะตัวตนมันมีนี่ถ้าไม่มีตัวตนไดงไงก็ได้ปัจจุบันยั้ไงา็ได้ลยี่คือมาเป็นคนกรุงเทพือพูดได้ไง เป็นปากเลยว่าแม่พ่อท่านตั้งแายไม่ทํางานกินมรดกของพ่อแม่ท่านก็ไม่ทุกข์เลยกินมรดกของพ่อแม่ที่บ้านดีเสร็จท่านก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ที่มันทุกข์เนี่ยมันสวยยังไงเพราะมันมีความคิดไงความคิดมันเย็บตาตัวตนมันเย็บมันต้องสวยนะเป็นของกูขึ้นมาถ้ากินเงินของพ่อของแม่ไปปฏิบัติทําไปดับภพดับชา ชีวิตคุณก็จบกต่แล้วเป็นประโยชน์ของคนอื่นได้ไหยแต่เราก็ไม่เาเร า, ล เ, าเลือ ก, กอที่เกเรืิองด้วยกับการที่เดนศาสนาพวกนีน้มันมีความสุขน้อยหนึ่งนะความรู้สึกเนี่ยนิดเดียวความรู้สึกชอบไม่ชอบอันมีนิดเดียวเห็นไหมเราชอบอะไรมันมะเกิดขึ้นนิดเดียวเราก็ดับอะไรวิตกกิจวิตกกิมันอยู่กับความปกติ มันอยู่ใงความปกติน่ะอย่างหนาวมันมีนิดเดียวร้อนมีนิดเดียวเปรตหวานนิดเดียวความรักเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วเราอยู่ในความปกติ เ, าาเราดเดรอรอว่าทำไมคู่ของเราจึงจะกลุงความรักขึ้นมาไม่ได้ ก็คือพติกรรมเขาดีๆเขพูดเกินดีๆดีๆแล้วต้องการอะไรนะต้องการเมาปรุงจิตตราที่จรินี่คือต้องการถูกจิตที่มันปรุงนะปรุงคือใส่พร่กใส่เกลือใส่ความหวานความเค็มความเอาอกเอาใจความใจหนวตใจบาดมันที่มีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนิดเดียวเองที่นนิดเดียวที่มีอยู่เนี่ยมันต้องคอยปรุงปรับเวต้องคิดตลอดเวลา แทนที่เราจะฝึกสวาระธรรมะหรือสติส like ัมปันญะที่มันจะเริ่มเติบโตทำไมเขาเรียกว่าธรรมะสติเนี่ยเพราะว่าความหมายบอกว่ามาสตินี่เองถ้าฝึกออกมาจะเป็นสติเป็นสัมปันญะเป็นวิปัสนาเป็นญาณเป็นมเป็นผลเป็นมิตรผ่านนี่นะ เขาเลยรวมเรียกว่าธรรมะคนไหนมีธรรมะมีธรรมะถ้าธรรมะในเรื่องต้องการมีสติเหมือนยาปาลนะเนี่ยันจะมีเรต่องรถเก่งมีจักยานมีมอเตอึงเซค์มียานออกาศแต่รวมหมดทุกอย่ามแต่เรื่อง กนสตินี่ก็เหมือนกันเราพิจาาปธรรมะแต่มันมีหลายระดับองค์การพัฒนาคนที่มีธรรมมันจะมีความบดทนไปทำแบบนึงคนมีการรู้แก่เ็าปทำแบบมีธรรมนนันถ้ามันมีแล้วเราศึกษาเนี่ยเออารมณ์ที่มันไม่น้อยมันจะดับไปวันเวลาได้เกิมันก็ว่าฟองใสอารมณง่วงเหา ซึมซาคือออกไม่เป็นออกจากพุกที่ไม่เป็นคือมนันก็ติดนี่คนเก่งแก่นี่ยากติดก็บติดปวดติดเมื่อยติ ด, ตดความคิดติดอารมณ์ไม่ใส่พอเป็นไปเป็นมันจมในทุกข์กี่เดือนกันนะความคิดว่าเป็นตัวตนนี้ก็คิดมาโดยทีว่ามันแก่เลยมันแก่ไม่ออกแนละ้ว คือจะให้เปลี่ยนความคิดสื่อที่ไม่ได้ว่าดูเฉยๆมีทํามรู้เป็นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตที่เล่นน้องคิดมากสัตวเนียร์กเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะพ่อพอแม่เนี่ยนี่แก่นี่โง่นะโง่ตัวเวนจนาเนี่ยแต่ถ้าสุข <c oughs> ีเป็นผู้ดับเป็นผู้ดับเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นผู้ เห็นธรรมชาติธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดมายื่อยลื่อยเลื่อยนะไม่ใช่ธรรมชาติไฟเกิดทุกข์นะธรรมชาติไฟนี่โรธาวารไม่ใช่สมุทเธอทะยัตวานไม่ใช่ฝังเกิดทุกข์นะเพราะเรานี่เกิดอารมณ์มาก็อพอใจไ่พอใจมุนติดความคิดเป็นการละค่ะโทสะโมหะนี่แต่นี่เห็นเกิด ดัเป well. ็นอนิยังเป็นทุกขังเป็นนาตาคือเกิดมาพบเออิังเนนาตาเป็นอริยังเป็นนาตาทุกอย่างเป็นอริจังเป็นนาตาเป็นเกิดเป็นดับเป็นว่ากระทบบอว่าเป็นความว่าวางแล้มันว่าวางแล้วว่าวางกระทบพบ ยึดขอาถึงจะโดนเข้าไปลักกาีเกิดต้องตั้ว่าอยู่ดีใจแค่ไกระท้ยึดกระท้อยึดยึดปลุงแต่งชอบชังเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นอัตตาอัตตาที่เป็นตัวตนี้ไถ้าเราคิดยาวก็อาตตาที่ใหญ่คิดสั้นๆก็อัตราทน้อยไม่คิดเลยก็ไม่เป็นอตาก็ดตพุกดับพุกไเป็นอัตตาแต่เร่อ่ว่าเรามีเชื้อของกิเลสตัาในใจกะทบัามันต้องเกิดน มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเราจะเป็นตัวตนนตัวเอยมันเป็นได้มันเป็นได้ไ่มีโทษว่ามันหลงผิดว่าเป็นตัวตนของตัวเองเลยแต่ถ้าเรามีสติสติใช้คาตอบของชีวิตก็ต้อปรับสรงคมก็ตัดระเด็นจะไม่เป็นตัวตนได้ทีนี้สติตัวนี้ที่เรามีมันอยู่ทางโลกมันเ่นน้อยนเล่นน้อยพอประคองมันขยาย แต่ในฐานกิเลตนาลางคที่เสกสติมันไม่ไมีพอที่จะรู้แก้งหรือปรากฏการณในระดับที่เป็นอริยสัจได้อย่างความชังเีความรักเนีมันาจากไหนเนี้่ยความปุกเนได้มาจากความพอใจความไม่อใจไม่พอใจพอใจมันมาจากไหนก็ดูไปดูคุณก็ไปเห็นปรากฏการณ์รากเหง้าขอเกิดความรู้สึกแบบนั้น เราก็เกิดวิปัสนาการเห็นแก้ที him, ่เราไม่เกิดภาวะต่างเก่าร่วงภาวะเดิมเมื่อก่านเราเห็นแล้วเรายึ้มเห็นแล้วชอบเห็นแล้วติดอกติดใจกระทบปัสสาวะ้ราเกิดอารมณ์ทีถ้าเกิดการเห็นแง่ก็จะเกิดภาวะที่ต่างเก่าที่เหมือนเดิมเห็นการเกิดกัรนับวันทต้องตกที่หาตันอยนั่ ที่เขาไปตกไปท่าท า, ทาของอารุณเขากบอกไปว่าอุปมาของการฝึกสติในขั้นที่สามารถทำลายวิวรรธนธรรมวิวรรธนธรื่ออย่างที่สวนเมื่อกี้าการมันสะนคาไป็นย า, าทีนั้นวิตาโมงโนภูงซางตรงไส ถ้าเราฝุดสติถึงขั้นดับนีวบน่วรสานวรให้วันวันหนึ่งจิตมีสมาธิกระพองไม่วันจะทำการทำงานได้อยู่ในสถานการณ์ไหนมันเหมือนกับคนที่เรบอิสรภาพเคยเป็นข้าเขามาก่อนตอนนี้ เ, เป็นอิสระภาพแ <c oughs> อิสรภาพนะมันจะดีขนาไดไหนถ้าจิตจะเป็นอิสรภาพไห คนถูกจองจําเป็นนักโทษที่ถูกจองจําวันหนึ่งเขาปล่อยแล้วออกจากที่จองจำอุ่มขาเนี่ยมันเป็นงี้ขไหนแต่เราไม่รู้ว่านี่คือการถูกจองจำนะท่านผู้กมครับรูปรถกินเสียงเป็นต่เพลินอย่เงี้ยเราไม่รู้เราก็ดเดยเพลินสนุกสนาไนไปเรื่อยๆคนตาบอดเป็นคนตาดี ค น, น ต, ตาตีขาติดเดินได้คนวาไปพูดเป็นตามบอดก็มองเห็นแค่าาาราม่เห็นเหมือนคนพิมพ์นี่วันหนึ่เราใช้นี้เขาหมดไปไมันจะสบายขนาดไหนในนี้ท่านทั้งหลาทำชีวิตอยู่เป็นการใช้นี้นี่ของความเห็นผิด ของเวามโง่ขเราเอพเราโง่ปิตัวรูปตนางนิุกก็เราทำอะไรแต่วันเราใช้มีอะไรเจ๊ใช้มีก็เกิดสังขารรูปหม่ขี้นเราครับเราก็ต้ใช้ความรักใช้มีความรักทได้เยอเลยๆลดยกิดในหูด้านตาด้วยด้านจิตด้าใจองี้ีสมหนก็เกิดเป็นความชัง แล้วก็ติดเป็นธาตุรับใช้ที่มีของความชางชอบกาใช้นี่ความชอบใช้ก็ใช้นี่ความชางสุขทุกเรายินดีด้วยเรามีความหลงด้ยอาการที่น ส, สุขสุขที่นี้ไม่รด้มีเนี่ยพอกระเพาะปัะสาก็ดับไปทีเนี่ยแต่เราก็สุขไปคนนอกได้เลยมมีความสุขบางอย่างก็ยิง่งต้องหาเงินไม่ได้เนะย เพราะจะได้มีความสุขีงยิ่งสุขทุกเป็นอนัตตาอนัตตาเกิดดับเฉยแต่เราไม่มีพลังสติพอที่ฝันที่เขาฝึกสติึกสติเข้าถึงคําว่าเข้าถึงธรรมว่าอปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติธรรมอ่าปฏิบัติธรรมเพือให้เข้าถึงธรรมชาตินี้เราทําให้เป็นพอราไม้เป็นเราก็อยู่กับแบบโลภะเปิดเมผนไปทำก่อเสื่อ เราก็มอกว่าเราก็สเสยือการเปนคนแต่ลึกๆคือเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขาาหาอะไรเพราะเรงสวยนะไปอเหน่อยเนี่ยคือมันงือย่างทุกอม่างเดียวเพราะว่าไม่เจอะเรื่องศาสตร์เนี่ยเคยพูดบ่อยว่าศาตร์ทุกศาสตร์เนี่ยในโลกเนี่ยวิญญาณศาสตร์กรดีอะไรก็ณีสังคมศาสตร์จะเรียนศาสตร์พ้องการแก้ปัญหามนุษย์นะ พี่ว่ามันไม่รู้จริงมันก็เลยแก้เฉพาะประเด็นมันอย่หมองย่งาตาคนนะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพุทธศาสตร์แก้ตรงที่การเกิดทุกแก้การเกิดทุกไม่เกิดมันก็ไม่แก่มกไม่ไ็ไม่ตายนะฮะคือกระทบภรษาทุ๊บมันจะเกิด อ, อุปทานขานเนะี่ยแล้วกระทบพรรษาทุ๊บก็ดับตัวอุปทานฐาน มันก็มีความรักความยังความปวความเกจ็บความที่ใดลำบาความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเครียดเครทั้งหลายมันก็ได้ปรากฏเกิดขึ้นบนสีขาวเพราะมันเกิดเพราะเราดับแล้วนั้นเขาบอกมาดับแล้เกิดดับแล้เกิดดับตรงนั้นยังไม่เกิดเพราะไม่เกิดมีแก่ไม่ีเจ็บไม่มีตายนามาขันเพราะเราเป็นปกติแล้วแต่ถ้าลูปขันดีจ้ะก็ พัฒนาไปอยู vive, vive, ่ได้หนึ่งประเทร้อนหนาวเสื ye, ่อมลงเรื่อยๆร้อนก็เสื่อมหนาวก็เสือมเย็นก็เสมเสื่อไปเื่อยๆแต่จิตไม่มีวันเสื่อมตรงภูพีธันเป็นนักปลาเป็นบริ้โลกเหลือธรรมส้นโลกเส็้ครับคือทำลายความรู้สึกแบบโลกๆในจิตของเราซะทั้งหมดฝึกสติสลายมั ดักมันสลายมันพอมันพุ๊บมันก็เริ่มทำเรื่องธรรมชาติแล้วนั่นน่ะธรรมชาติที่เป็นอมตะทําให้เกิดไม่เจ็บไม่ตายนั้นโง่ในหลายรู้คน่าเขาไม่เกิดอีกแล้วชาติที่เป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายคือมันดับไปเรื่อยแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีปัจจัยที่จะพาไปเกิดอารมณ์อีกแล้วมันไม่พุกอีกแล้ว มันก็นั่นพวกมันยึรอตายอะไรี่เกิดอะไรรอตายมันเป็นไปตามอำนาจธาตุนไม่ใช่เราไปปรูงแด่งมันเป็นธรรมชาติมันเกิดมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้แต่มนุษย์เขาไม่ทำเขไม่ได้สกับ คือไม่ดีในฝั่งเจ้าฝั่งนี่แหละเขาฟังที่ตื่นนะเดินทั้งเอเชียเนี่ยมสินค้าที่จะนําไปเสนอ ร, รุง่งตลาดที่ฝรั่งไม่มีปรั่งไมูม่ ง, นงูนเ ร, เรื่องจิตเรื่องวัตถุสิ่งของเนี่ยเราก็ไปต้องซื้อจากเขาของนอกของนอกขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของนอเราชอบแต่ถ้ของพี่ปรีดีทางเร า, านเรนีนเน่นะิดเลยลงมาฝรั่ง นเปนของที่ใดเลยม่ใช่สิของที่จะจเป็นสหรับชีวิตเขานะเขามองไ ป, ปที่ใดที่ดเลยนะเลห้ดหเหมไปังเอาไปูไปก็ประดับนะเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายแต่ว่าฝรั่งก็คือโดยอนเนีสารเนี่ยมันต่งก็คือก้อนพวกก้อนหนึ่งเหมือนกับ คนไทยเราหรือคนเอเชียทุกข้อความคิดเหมือนเดิมทุกข้อความใจเหมือนเดิมศาสนาพทุทธยัจะจำเป็นแต่ไรที่คนนังทุกข้อความคิดทุกข้อปัห า, าพกประธานเพราะศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตโอเพนสิติมากๆปุ๊บมันเขาเ้าไปรู้ตัวนั้นเพ่ได้เกิดภาวาสว่างแสงบสป า, ารขึ้นดมาเป็นวิปัสสนาการมา ไทุกข์นั้นไม่จะหล่ไไหนไปหายไปก็มีปกติงนขึ้นมาทีนี้มีใครว้างที่เขาไปดูเนี่ยเ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาพระเดชเทวและราวกที้ไหนที่ท่านสอนใช่ท่าต่อไปศาสนาเนี่จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ยนอยู่ได้เนี่ยต้องเห็นประเด็นแต่มนุษย์พวกนี้ไม่น้อยที่เราเรียนทุกสูงมีการศึกษาเยอะๆปัจจุบันเนี้ ด็อกเตอร์มีอะไรมากมยแต่ก็ยิ่โมงง่ายหนักกว่านะเดิด้นะจะดรอปต่อจนะตาแล้วสังเกตเุเอพวกหมอพวกแพทย์พวกอะไรสักตาวนันนะ้นพอท่างจิตนี่เขาไม่มูม้ประวัติการมันไงเขาไม่ได้มาเฝ้าดูวันนี้มันเรียนมาจากงนอกไปตั้งนานะนั่นเรียกมา เขาไมด้ช่วยในชีมันดีขึ้นเนี่องมันเดิเพียง mm hmm. แต่ว่าเราสร้างใจแย่ทำขึ้นมาให้หมอว่าคนเรียนสูงมีการศึกษาสูงการทาําหากินกิเลตนานี่อยู่ระดับสูงสุดแบบเหมือนกิเลสถูกต้องตามกฎหมายทางโลกๆนี้่ทั้งนี้แต่มันไม่ใช่เครื่องของสศรษฐธรรมมันจะคนละแบบกันดังั้นคนจะทํารวยจะสวยงาม็ะดีถ้าเติมขนาดไหนที่เรืนน่องไหน ลูกร็ขีเสียนานๆเพือถ้าเราไม่รู้จะจะทนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารจริเนี่ยเราก็จะเป็นก้อนพุกไปเรื่อยเรื่อยทุกแหนทุกอีตุกแหนทุกอีคำสอนของพระพุทธเจ้าจำเป็นสาหรับคนทุกพุน นี่คือชีวิตนะถ้าไปเฝ้าดูจิตลึกๆทีดๆดๆ น, นี้พออย่านี้พอไปรู้จักคนไกลตงนั้นเหมือนเราทำมาชีวิตเราเอ๊ะไฟมันมันชอ็อตอยูย่ที่นี่เยครับเป็นนะั่นเป็นนี่ทาไปทำมาวันหนึ่งเขาไ่เจอสวิตนั้นสับขัดเอาปุ๊บอง อ, อ, อยู่ตรงนี้นนเนาะเจอเสร็จตีรัดเองด้วยรรมชาติถามว่ามนุษย์นี่มันอยากโกรกไหมอยากโกรกไหมอยากโลภอยากรลงไ้ มันรูอยากเป็นทไม่เูีอยากเป็นทุกแต่เขาไม่รู้คนไกตรงนั้นที่จริงปฏิบัติทำแล้เข้าสู่กลไกนี่เรียนศาสตร์เรียศาสตร์นี้มาเพื่ออะไเพื่อต้องเข้าใจต้องการเข้าใจชีวิตนี่แต่มันก็ไม่เข้าใจเพราะมันเข้าไม่ถึงใจไปเรียนรู้แนวความคิดคนรุ่นคนนี่ไปไม่เป็นเรื่องบัณฑิา มัน่การวิปัสษานะคนอื่นวิพาสษาี่คือการเห็นแยกวิจิตริย์ปัจจัยาก็คือเอาข้อคิดความเห็นของคนบางคนที่มาตีความให้เขาเข้าใจแบบของเขาเลยท่าพุทธศาสนาเ็เลยไรที่เราเรียนในรูปแบบแบบนั้นก็จะเป็นปัจจยเมื่อไหร่ที่เราเียนแบบเฝ้าตูก็เกิดการรีเป็นวิพากส์เมื่อไหร่ที่เราียนเรื่องมารยาทเรื่องอะไรก็เป็นจริยศาสตร์ พุทธศาสนาก็มีหมวดกันมีจนถ้ามีสาสตร์ที่ย่หน้าไปที่เรียกว่ามีปัชนาญาณแต่คนมันเข้าไม่ถึงเพราะการที่จะเขาถึงต้องทนทนเกิดคนปวดคนเหนื่อยทนร้อนทนหนาวทนพอใจไม่พอใจทนสลับตาตัวตโต้เฉยกับมันไม่เป็นถ้าเฉยกับมันไม่เป็นเข้าไม่ได้หัวไหมเฉยกับความง่วไหม เฉกับความเป็นความปวดความเบื่อความไหนความชังความอดีตอนาคเฉยกับความได้ความเสียโวยวาที่ได้ร้องคเจ็ดวันต้องหาเงินทอว่าเขาจะให้ออกจากหน้าหนึ่งมันออกจากตัวตนเป็นนะคือไเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเป็นเ่ขึ้นความจาเป็นสำหรับชีวิตคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเปล้ว ถ้าไม่ทํ่านั้นก็ไม่หาต้องทำอย่างนี้แล้วมันจะดับคลุ้ได้หรอมันดับไม่ไ้แก่้คุณเห็นความรู้สึกแบบนี้ไปแล้วถ้าคนเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบจนคุณตายคุณก็รู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาคุณจะได้ชีวิตใหม่เยขึ้นมาเลยการที่พบการเกิดเป็นมนุษย์ของยาเกิดเป็นมนุษย์เนียเอาย่าว่าเก็บขาจี่มือครบเนี่ย คุณก็เป็โชคดีของคุณแล้วนะแต่ ก, กิจฉันวัจจาีวิตันมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายนี่การที่เราหาเงินไนดะ้ทองเข้าของตัวได้สะดวกก็ยากนะยมนุษย์บางคนได้เปิได้เป็นมนุษย์ิดชีวิตน้อยู่ับความผู้มีสริสมัยนา เขาบอกว่าการสวยงามสวยงามมีสองแบบหนึ so, ่งสวยงามแบบประเสิดเียว so, ่าอริยปริยสนาก็สวยงามสีไม่เกิดเศรษฐ์เพื่อล่ามยสเลิศสุขเศรษฐ์บบหนเพื่อพ้นจากล่าเลิศสุขอยู่เหนือโลกเนืออารมณ์เาเรียกวอริยปริยสนาสวยงามสีไม่ปรเสริฐวยงามแบบที่รอริยเจ้าเขสวยงา เราไม่ไาหาแบบนั้นะพหามันก็ติอย่างนี้ไ ป, เ, เ, ปเรื่อยๆแต่ักแตที่โลกนี่มนุษย์เนี่ยไม่พัฒนาตรงลดับอาวุธศัตรูเป็นนักวิเศษขนาดไก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆรใจที่เล ย, ว, เย ว, ว่าปดนีี่ประเทศไทยนี่คิ ด, ด ว, ว่าขาจะจบ็นไหแต่ไปสัการที่มนุษย์มีความอยากเนี่ยหนี้มเยอ ยิ่งสร้างกองทด้ยิ่งเยอะยิ่งยอนทุกวันนะครูเป็นอาชีพ ท, ที่ยิ่งเยอะมากไม่รู้กี่แสนลา้านะคืท่นมีโอกาสมันมีความอยากมันมีความอยากันจะหาย จ, ายจนเลยเลยไมนี่ได้เงินี่เหรียญได้เันได้เงินได้ ลดทันเก่าเอาทันไหน่ทันใหม่ก็เป็นทันนด้นทันนี้ปเพีงได้รถไทยหรืออะไรรถนอกเพราะอเลรว่ามันเข้าใจวัฏจักรเสลิศเสือเนี่ยเป็นของเกี่ยวเนี่ยมันก็เกี่กันสวยนะเพราะเราเพราะเหตุเรียนอวิชชาอวิชชาดูความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงอวิชชาวิชาเรือความรู้ในความไม่รู้ นี้ความรู้ในความไม่รู้รู้แบบไม่รู้รู้ผิดเรียกว่าวิชาถ้ารู้ถูกรู้ถูกกอถูก ต, ต, ตรงที่มันเกิดทุกข์นั่นแหละเป็นวิชานี่พัฒนาวิชาคือพัฒนาความรู้ึตัวเมื่เขามาเขาต้อไปเห็นที่แรกก็เห็นกายก่อนเห็นกายเรื่องทั้งมัลกายเห็นกายกเรงไม่ของเรา เห็นกายเป็นธรรมชาติเมื่อไห่จะเห็นกายเป็นธรรมชาติเป็นเพียงรูปเป็นนามกายมันเป็นแค่รูปนะวันหนึ่งวันนี้คือดีเราเด็นวรู้วิรู้ม่ใช่ถูกรู้นามไงที่ก็าบอกให้รู้รูปนามรู้รูปนามเห็นกายี่มันเดินที่เฉยตัวรู้ก็สำหนาที่ตัวรู้รูแบบคนสุดกายที่จะเป็นแบบคนสุดธรรมาเจ็บก็ธรรมเจ็บก็ จะก็เห็นจิตเดปวดก็เห็นปวดไม่มีคำวาเองแต่งเข้าไปเธอไร้บุญมารู้รูปรู้นามดีกว่าจะไปเห็นนามรูปพอเริ่มเห็นปรมาได้เห็นจิตเนี่ยมีปรมาเห็นรูปนั้นเห็นสมมุติอะไรนะเห็นสมมุติมันสมมุติไหม่สมมุติปวดสมมุติว้าสมมุติเค็นสมมติแก่สมมุติว่าตาย แล้วถิ่กาตายันสมบตรแต่ตอนนการตายมันไม่ได้น่ากลัวแล้วเป็นีเป็นใจนั่นเองมันไม่นยในใช่อสติดำนี่ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายนมันไม่มีเกิดแล้วในติมันไม่มีอะไรตายนะนใจมันไม่มีเกิดมีตายให้เห็นตรงนั้นแต่คนทั้งหายมาแปรว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นร่างกายนี้ตายสายไปแต่จ่นี้เป็นพยาตป็นขันอันี้ อ้เรื่องเห็นข้างนอกไม่เห็นเปิดอกคนนั้นนี่ไม่ใช่เห็นในย่าสัดไม่เห็นความจริงข้างในนั้นพอเรามันคิดพิจารณาการอ น, นี้มันก็บรรเทาเ บ, บาบางได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่การเห็นแยงคนไหนปฏิบัติทำเข้าถึงสัจใจคนเข า, เเขาถึงเคารพยกยนับถือกันว่เป็นคนที่เพียรพยายามมากนะ ยองกลับว่าบุชาเขายอดคนเนี่ยที่ไมู่เจราคทานปฏิบัติกันเข้าถึงความเป็นยอดคนคนเกิดมาได้แอบมาของท่านไปอยู่เหือเนือความเป็นคนอยู่ที่ยอดกันโน่นน่นมีคนจำนวนมน้อยที่ผมพูดไปตามคาสอนของผู้บริจา มันไม่รู้โเขาไปสวยหากิดฉังแต่ความมั่นส่วนั้นเพื่อหาความรู้สึกทำครับคนสักจะทำได้ีิคนเสร์กเมืงองนอกบนานามาแหยประเทศเพืพ่อตายนะ ศ, ศิลปินประเทศนั้นประเทศนี้มาที่ญี่ปุ่นเกาหลียุโรปโ เราสวงหาแต่สวงหา ส, สาิที่เป็นเสื่อรรมเอามาย้อมมองมห้ิดตัวองหนักขึ้นกว่าเดิมแต่นี่เป็นกิตสัจธรรมตัวรงเพื่อฟังเพื่อสัจธรรมแตยรู้สัจธรรมฟังธรรมสัจธรรมโอ้สัจธรรมมไม่ได้ลุกไปเีมันเป็นวิธีชีวของเราหนึ่งกี่เราต้องเข้าถนะเราฟังบ่อยๆสื่อสารบ่อยๆก็เกิดจินตามนี่เป็นปัญหา ก็เกิดจากการรู้สึกนีกคิดความเมินพร้อยต้องไปทำดูละไม่ได้เชื่อนะแต่ไปทำเพื่อที่สูดดูอย่างเนี้ยเรามาอยู่นี่เขาเรียกว่ากายได้ว่เกไรไม่อยู่อาจะเป็นกายได้ิเมันสงกเป็นปความวิเศกวิเวกเพราะมั น, นไม่ได้ไปเกี่ยว้องไปทำอะไรไม่ต้องทำายิ่ไม่ต้องทาอะไรลกรรมการกรรมาไม่ปจะรู้นนสึกวันสบายึน้นมาแล้วบบน กา ย, ยเยอะวิเวกหนินะไม่ได้ทำอะไรทีม่มีความสุขเลยหรอนะเห็นไหมเราลาพักผ่อนลาพักผ่อนไปมึง น, นอกมึ น, นอกคราวนี้พุกกา ย, ย, ยกันวิเวกทำให้กายมันปราศจากทน้ที่การงานแตกกหนึ่ญญนงแ่พุทศาสนานี้เขามู่งไปที่สองที่สามนั่นนะดอานที่สองมันเป็นจิตแต่วิเวกจิตวิเวกก็คือพยายามทำให้จิตมันวิเวกวิเวกที่จิตนที่วิเวกที่ คือเม่จิตมันปล่อยมาเมื่อก่อนปล่อยวางกายปล่อยวางไม่ต้องการงานไปเที่ยวทีนี้ทำในจิตเนี่ยจะปล่อยวางที่ความยึดมั่นเกิดมันมแล้วมันอยู่กับตัวเองถ้ามันอยู่กับตัวสติมันอยู่กับตัวให้เป็นจิตแต่ไม่ยดึดใชไหมนี่เราคนไมให้อาร้ณ์กรรมฐานนจะได้สติไปมัน ม, ม, มีขอปฏิบัติวันรู้สึกมาเขาเขามันมีเมื่อคือสว่างโล่งโปร่งในใจไม่ต้องคิดอะไร กลับมีความสุขไม่ต้องแบกความคิดแบกอารมณ์ความสกรธทั้งหลายทำไมมันไม่ทุ่งเรย์ล่ะเขาเรียกว่ามันเริ่มมีจิตตะเอวิจิตเอวิคือจิตมันโปร่มันไม่แบกอะไรมันไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวอันรจนเกิดรู้แล้วพัฒนาพีเพราะว่าพอหยุดเมื่อไรมารที่มันตกเมื่อไงเนี่ยมันก็เกิดพุ่งขึ้นมาอีกนะมันมีอะไรนิดเดียว เห็นไมเวลาเราไปเที่ยวพวกกลับบา้ากลับมาอะไรที่าทุกอย่ากายจะย่จิตก็เปด้วยนั่นลถ้าเราจิตเรามีแค่สมาธิที่เฉยนี้ยมันจะติดอารมณ์อีกพสมาธิหลุดปุยุดปฏิบัติธรรมมันกลับคืนไปกลับคืนไปเรื่อี๋ยมันกลับไปเรื่อยๆนะมันก็มีอย่างคือต้องเป็นอุปทานวิเนหรืออุปติ อุบัติอุบัติมนเหมือนกะทินะมะพร้าวที่มีน้ากะทิเวลาคันมันมีกะิอันนี้ยของมันนะอ่าเหมือนกันนะเราก็ลังเอากิเลสที่มันตกผลที่มันเป็นกะทิอีเลจิตเราเรียกว่าอุบัติวิเวกเอาออกไปจากใจนี่และอ้ทีมันตกั้าเป็นความพอใจพอใจที่มันฝังลึกลึกในจิตตอนนี้เราจะเอาอันนี้ออกจากจิตถ้าเอาได้การวิเวก ไม่ต้องไปฝึกมันจิตวิทยาไม่ต้องไปฝึกมันเอานอนี้ออกได้มันเป็นมดทุอทอกอย่างเลยทีเดียวเขาบอกทำไบบอนิจจสัจจะมันจะครอบคลุมทุกสาสตร์ทุกกระบวนการทุกผแผนกทุกขันน้นตอนของความทุกที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่เดียวเท่านั้นเองอยที่เดียวนั้นถ้าเราทำตรงนั้นเสร็จพวกมันเปลี่ยหมดเลยเมืเ่อแล้วจ็บแค่ได้ป่วยเอากินยา พอกินยานี่นเป็นเรื่องหมดเลยมันซึมเรือหมดทั้งร่างกายแล้วม่ต้องบอกว่าอันนี้มาเป็นผมนะบางลขนนะบางลงแผนบางตานะอันนี้ไม่ต้องไปแย่ๆมันกินเข้าไปคือกินมันไปตามเสเลือดเมื่อนหรนไอความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหมดสลรพัร่างกายมันรับรู้ไมหมดผมมันเข้าใจอากาคืออาก่หมดด้วกัน เมื่อเราอกกําลังกายเอ๊อยากให้ก้นมันลดเนี่ยอยากให้หน้ามันําอยากผอมเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นของเฉพาะส่วนนะตามหมอเนี่ยจะลดน้ําหนักมันก็ลดน้ําหนักหมดตัวถ้ไม่แล้วผอมก็ผอมหมดตัวนะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่เฉพาะที่เว้นกันชีวิตเนี่ยเวลาเราลดอุปทานก็อุปทานคุณลดทั้งหมดทั้ตัวอุปทานในรูปรูปทั้งหมดตัวอุปทานในรูปในนาม เวลาป่อยวางก็ปล่อยวางอยู่ลนีสำคัญว่าคุณด้ยาที่เ่าทำมาโอ้สบคือสินสมบูรณ์นะอันนี้จริงจังมากน้อยแค่นี้อืมยยนั่จะทำให้คุณได้เนี่ยโคชีคุณนะที่มา่าถาใครจะรู้จะจะจะตรานีเพียงแต่จีบอกที่จร การเข้าถึงเป็นหน้าที่ของเราเองการรู้การเห็ น, กกนหของคนคนใดคนหนึ่งของตัวเองนะเขาเรียกปัจจัยต่งปัจจัยต่างคือของที่ต้องเห็นเฉพาะตัวเองสันติติโกต้องเห็นเองต้องเกิดปรากฏการ์ขึ้นมาในจิตเองนะถ้าไม่ได้ปฏิเสธไม่มีอะต้องว่ากฏเกิดขึ้นเองสันทิติโกปัจจัตยต่ง คือขึ้นจะพอะตัวของใครของมันนะไม่ใช่คนนี้ว่าให้ฟังเพราะเกิดคนลูกคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของกรรมวันนะไอ้เนี่ยม้แต่เราโคนนี้ของม า, งนะ ม, างงมันไม่เป็นนะเพราะคนเรามีตัณหาครนะับพ่อแม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายว่าลูกมันจะเข้าถึงกรรมได้ถ้าไม่สุดสิลูกมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่เป็นรากพ่อพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเดิม น, นะ มันไม่ได้เป็นกามมันไม่สุนซยบไปแวเนี้ยเป็นของครูมันทว่าที่เห็นคือการกินเขาออันข้านี้คือการกินเขาไผ่จีนเพื่อจะยิ้มมันก็ไปกินทองไผ่ในผู้กินใครไม่กินก็ไม่เป็นนะไม่ใช่คนที่ดียาอายพื่อจคน้น่พี่น้องคนรเรื่อง แา่อิจาบางคนะทำตัวปฏิบัติคำก็จะเกิดภาวะว่าสุขโพุถาไปันฝายการเกิดขึ้นของพุทธะมันยิดลอยเป็นของที่หาได้ยากเป็นคนก็ยากที่จะอยู่อย่างสะดวกสบายเลยยากการที่จะได้ฟังพระสัจธรรมก็หาได้ยากวนแม้จะมีเด็กเตี้ยงยาวมองยาวยาอมองมอง ได้ความรัก็รัทธาแล้วไปปฏิบัติครรมแล้วจะเกิดการเห็งแจ้งกับเขาสักครั้งก็เป็นไปได้ยากสุขโภพุธานุปปัวฐานพุทธะอุบัตฐุปนิชิตตรโอ้แจ้งเลยเนะยาะยนแจ้งแล้วทำไมจิตการเราลกบอกว่าเราเห็นแจ้งจัดเรลของเราก็ปีนี้นะกลายเป็นผู้ศาสนาเป็นโสดาบันเป็นผู้ได้ดวงปทนะําแล้วเป็นผู้ม่ทุกนะ เอซัปปะกวาโตเซอุสังโคนี่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ไปอยู่ในนั่นแน่เราอาจจะลู่เหลี่ยงลู่เขานผู้หญิงผู้ชายสมมุติอะไรแต่จิตนี้มันไม่สมมุติกับใครเป็นมันไม่สมมุติทุกก็คือทุกพ้นทุกก็คือพ้นทุกไม่เอาจะลุ่กันเกลีหรือลู่กันเหลี่ยงนะพ้นทุก็คือพ้ทุ ก, ะ น, กนะก อ, กนอันนี้มันสมมุติเฉยเยนะ งั้นทำไงเราถึงจะเป็นได้น่ะชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วเรปล่อยชีวิตงงงงางงไปตามเรื่องทีเนี้ยนะเขาไปเป็นนักมวยก็จะต้องซ้อมต้องฝึกเกิดมาเป็นคนไปเป็นหมอต้องฝึกนะเป็นทหารเป็นตำรวจต้องฝึกเป็นครูต้องเป็นโจรต้องฝึกอะไรแล้วเกิดมาคุณได้ร่างกายสังขารชีวิตนี้ฟรีฟรีมาถ้าคุณมีฝึก จะเป็นผู้คนทุงข์ได้หรือเล่าไม่แน่ใจมันยิ่งอ่อนไหวต่วออ า, ารุณ์มันไหลไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกมันมันไหลชิวๆ ท, ที่ต่านนในน้ำเคนอยู่ในน้ำจะดึงขึ้นมาพู้สุดต้าล้มมันปลาจากขึ้นจาน้ำโยนขึ้นบนบกมันจะโดพ ว, วดพรวดพรว ด, ว ด, ว ด, วดมันทิน่งดน คนก็เหมือนกันเคยจมอยู่ในอารมณ์รีมองจากอารมณ์ออกจตู่้แต่รดจะกินแตเสียแต่สุรู่มอยู่เนี่ยมันจะกระวนกระวายมันอยากจะเป็นเหมือนเดิมไหมจนือนดิปี่แปลงแต่ถ้าเป็นเหมือนเดิมก็ทุกเหมือนเดิมนี่ยงคือค่าตัวตายเรามามีเรามาฆ่าตัวตายฆ่าอากา่าตัวสนทเดเพื่อจะไม่เกิดในภพใหม่สลาย เป็นผู <c ười> ้ไม่มีภพไม่มีชาติัดทั้งหลายในโลกอยู่ในภพทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีกันขันเดียมีทันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่คนนี้นี่แหละจิตเต่าปรากฏการณ์มเป็นอย่างนี้ภพน้อยภพใหญ่ก็คือบางเรื่องกิคิดสั่งบางเรื่องเกิดสมัยดูยาภพก็ไม่ที่อยู่ จิตมันก็ไปอยู่ในอารมณ์เรื่องยาวก็มีสั้นก็มีเรื่องนี้ยาวเรื่ีสัโศกนานชอบนานชังนานเรื่องยาวชาติมันยาวธรรมดาเรืนชาติสั้นๆชาติหนึ่งภพหนึ่งมันสั้นมันเป็นพบเป็นองมแล้วแต่ขันห้าขันก็มีสี่ขันก็มีสามขันก็มีรูปขันวินาขันสัญญานสังขันขันวิญาณขันและก็ไมด้เป็น มีแ่รูปบางทีก็นั่นสงสวยนิ่งลับอยู่มีแต่รูปหันบทีก็ติดแต่ความชอบความชังติดไปในความคิดเป็นเวทนาหันบางทีก็ติดแต่อารมณ์เดิมเดิมเถึงความคิดเก่เาๆเป็นาการรทับใจก็เสียงผวาน ม, มีดีก็มุ่งคีดเป็นสัญญาขันเอามาปรุงแต่งปลุงแต่งเป็นสังขารขาัน สคันเที่ขันเป็นในขันที่คือขันว่างนขันนี่มันว่างขันเพราว่าปลาอชนะโลจิตเราเยกว่านามขันขันนี่มันจะว่างแต่เรามีไม่ว่าเลยรูปขันวีก็ได้ขันเสียขันสักขันมันไม่ว่าพรามันมีประธานอุปทานธรรมวิบัติปติมาปรุงอายุป่านนี้แล้วมันพอหยุดแล้วพอปล่อยเอวางขันแล้วพอข่อมขันได้แล้ว แต่เราไม่เคยเห็นนังสือของท่านกิจณัมูลนิธิขบดความคิดขบวตความคิดนะเราไม่เคยไม่เคยขบดความคิดเัานี้ไม่เคยสวนกระแสมันนี่แต่คิดไม่กไปตามความคิดนั่นเคยขบวความคิดหลวงพ่อทูว์ใ กูรอใครท่านเขียนมันกันแต่ว่าท่านแวาว่าทวนกระแสกระบวนกามคิดืทวนกระแสควรกระแสเห็นกระแสตัดกระแสเนื้อกระแสดูที่คนเขาทักนาชีวิตเขาไปที่ไหนแล้วแล้วจะยังจมอยู่กับความรู้สึกอิในความสำคัญว่ากูเป็นกูอยู่โอยม่ไปทมา แล้วราจะี้กร้องหาความละหาความยุติธรรมมันไม่ยุติหรอกธรรมะอันนี้นไปเรืยๆลยทิดเองมันทำงานเรื่อยๆเลยคุณมนสวยงามศัจธรรมสวยงามความยุติธรรมสวยงามพระดลสวยงามสันติภาพสันติภพฤรษธรรมต้องเอาจากนั่นอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นเป็นกุญแจของพระพุทาน เป็นท <t Jersey> <french> ั้งหมดของสุขความทุกเป็นทั้งหมดของชีวิตทั้งรูปทั้งนามนี่นั่นเอาจากนั้นถ้าอยงนั้นเขาไม่เรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถกลับทุกได้โดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงนี้งื่อนไขอะไนะม่มีเหตุเป็นใจไม่ตกค้างหลงหลงนะสิ้นเชิงนะศาสตร์อันนี้สามารถดับทุกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีขี้ไม่มีปุจฉ์เชิง หมดคือมดัดไม่เยอไม่แต่ขม่าวอันอื่นอย่างลราเผาอันนั้นอันนี้จะมีขม่าวมีเรื่อีจนะแต่ที่โฆสนาเผาขมองวเผาจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเือะมันเป็นศาสที่น่ศึกษามากศึกษาเอาแต่จิตเราเนี่ยเพียงแต่ว่ามาฝึก ส, สติให้มันเด่นีๆสติตัวรู้ตัวตื่นเรื่อนี้ คนส่วนมาไปหลับซ่าหลับซ้าหลับซ่าจะใครบอกมาสบ่ยเห็นความสุขแต่ที่จะเห็นความสุขความทุกข์เป็นอะไรต่างกันไม่เห็นไม่เห็นไอที่เดินจุ่มตนี้เดินเพื่ออะไรเขาสอนมาเดินเพื่อฝึกสติแต่ท่านหมายยังไม่ได้ฝึกสติฝึกเพื่อเดินเพื่อไม่หงุดงิดไม่หิวหไม่หิวแล้มันละเห็น คือสติมันไม่พอไม่พอที่จะเห็นความเกิดความดับความหลักความตื่นได้โดยธรรมชาติมันไม่พอไงเราไม่เคยกํำลดรู้มาก่อนก็จะเกิดมาเนี่ยแล้วอยู่โดยสั่งแคแต่ยานนะสัญชแค่แต่ญานไม่ใช่ปัญญายามุสงิมโบราณนะปัญญาเป็การรอบรู้ในกองสังขารคือเห็นตั้แต่ธรรมชาติข้างนอกจนไปถึงร่างของโหกการเกิดกระดับเขาเรียกว่าปัญญายาแต่ยังไม่มีปัญ อย่างเรื่ความอยางหยางเข้าไปอยู่ในเรื่องของพวกเนี่ยมนดีมันนั้นเราก็ไม่กับสัญชาติญาสัญชาติญาณคือวันสัญชาติอะไรสัญชาติสัญชาติไทยอาจจะเป็นเชื้อชาติจีนก็ไดสัญชาติไทยเหมือนกันสัญชาติญาณก็คือเราอยู่กับวันานมาเป็นสัญญาณสัญญาทางใจเป็นสัญญาคือเราได้มันจริงจิงมันม่ใของเรานี้ไม่ใช่เชื้อชาติจริงนะแต่เป็นสัญชาติน่ะ มันพุ่งติดนี่เองนะตอนเกิดมาเราไม่มีสติเองนะแล้วเราก็เลยหลงมเป็นแบนี้เป็นสัญชาติญาณสิ่งที่เกิดขึ้นตามการกันมดการบังคับของสัญญาตามกฎทำให้ชาติตื้นๆที่สมมตินี้ไม่ใช่เชื้อชาติให้มานถึงกำเนิดอันนี้แต่เราก็ยิ่งให้คุกเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดนะถึงว่าเราเป็นให้คุกเป็นอยแบบนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนั้น มันไม่ได้เป็นแบบที่เราเป็นอยู่เลยนี้คนละแบบเข้าไม่ถึงเลยเยอะแกปลือกเขออกแล้วก็เจ็แก่มันนะแกแผลของสศรลัแก่แผ้ของชีวิตมันไม่้เป็นทุกแบบนี้ไม่ไดแบบนี้ไม่ได้ตรงแบบนี้สัตีธรรมอานตา ทำทั้หลายทังเป็นอตาทำทั t. <speaking> t <ans> t. <speaking> t ้งหลายทำทั้งหลพทุกอย่างที่กลายกฎองสุดๆพวกนี้ที่เราว่าแปลกบุกิจเป็ระธรรมขันเนี่ยมันเป็นอนัตตาความจริงคือมันว่างแล้วว่างจากความหมายความเปลี่ยนตนว่างจากความเป็นอัตตามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เรามมีเป็นไงอย่างีราไม่มอาาทีนี้เดินไปสวนกันไปทางนั้นทางนี้เดินสวนกับอาตารตลอด ก็ดแต่ตาเขาต่าลจาความสุขกับโลกนี้ได้ยังไงเมื่อแต่งบตาอีตานี้เราเรียนรู้อะไรที่เสริมบัารเสริมเสริมบัตรเสริมเที่ยวเที่ยวเล่นวิจิณ์นั่นเองนั่นปนการกระนิษย์สารวัติอัศจรรย์ใจแฉหางเง่สังเวยห้องน้น บัตรายานิจจิสยนห้องอัศจรอัศจรเกิดอะรเจาลที่หามันยาวนะหายาวมีแต่โดรอมีแต่โผสมีแต่ซจมีแต่อะไรประมาณนอสซอโอ้ยสาระวัตรจอเต็ม่หมดนะหามยาวมากจบกันึสานี หมาไ่ได้แน่นหมาเลยพระนี่กีันก็เริ่ ม, มนะพระมหาดรอของมันเอาตายมึงหายาวๆแต่ก่อนมันไม่มีห่างมีควา ม, ามสุขตันหาาหามืา่อไ่นะอัศจรรย์ใจแข็งจนทศ่จนท้นคือความโลภนะปากเปนอ้ากีนหมดทุกยา อาสจรใจแขหางแน่วทำไมไม่ได้รองนั่นคือไม่เป็ี่นประโชของชีวิตเลยนะไอ้ที่ยาวนั่นคือทุกเหมือนเดิมยังเป็นทุกเหมือนเดิมเรียนมันสูงไปเรียนทุกเหมือนเดิมน๋ออาจารย์หบอแพทย์หนึ่งเป็นสัาวน์แพทย์ดนตรี คนคนอากาศีเลคนอาการีใ น, าานสัตว์ป็อบเตรอร์เป็นดรเพศสัตรอยูพรงนั้ชื่อเขายู่ดูหานสระษูปการัาานตีแต่ตัวพ่ อ, อเลยเลยนะแล้วเขามี มีผ้าสีติดอด้วยเลยกล่องอะรเจตาอะไรนะผ้าเสื้อนาดที่มจอจออะรมาณจอตายตัาอุ้งตแต่รถทาีถึงเปิดไปุเขาเขียนเรื่องธรรมเขาขียนเรื่นนองธรรมะเขาศึกษาธรรมะ เห็นไหมที่สุดของศาสต์เนี่ยจริงๆก็คือชีวิตมันจะอ่อนได้ที่เดนมันจะหมดหายลดอาการตัวน้อยก็คือศึกษาสติธรรมเขาเขียนเลยว่าดีใจจังชีวิตที่ดีใจที่เขาไม่ชอบด้วยภาพเขาสัา่งาพุทธเกือพบอบท่าเขาบอกข้ามน้าข้ามวระเลไปสุดเลยมันศนะึกษารี เกือบอภาพศาสนาพุทธเขาเขียนมันก็โ อ, อ, เอ้เขาไปไกลเนาะเขาวี่งเยอะยะมากหางเขายาวมากปัญญาโทก็สองใบบัตรกระตายหางจริงจๆงสังใวย ห, หางเนาะ น, นางห้อง กระต่ายเนี่ยหางเดียวนะมันลงนั่งมันหางมันนะมันมเพื่อนนชีวิตมันเพื่อพรามีหางล้วงนัพอแม่พี่น้องเขาเาบ้านเขามีแค่กระค่รู้จักตัวเองหน่อยรู้แั่ความคิดรู้จักอารมณ์สิ่งที่เขาศึกษาคือเขาศึกษาจากชีวิตประวันเขาดูมันโกรธก็ดูมันเกลียดเขาดูมันดัูมันแซงดูมความรู้เขาค่ที่หายกิน สำาึกได้นั่งงอทาไมถึงได้รองนั่งทีนี้เราไม่มีผ้ารองนั่งนะทีนี้ทำไงไอ้ที่เอามาีช้เพื่อทำรองนั่งมีอะไร้หาเราครนี่ลงปู่ลงพ่อลงแม่ลงพี่อะไรประมาณนี้เข้าความรู้แค่เพื่อตัวเองเขาก็อยู่ได้เพราะเรามี่ตั้งเยอะยเพื่อเล่นเงนไหม ต้องการสองขั้นสองกินะตน้อตงการอันนั้นสขั้นโอ้ยต้องการนีได้ทำงานรับใช้กิเลสไงคือเราทำงานแลกกันแลกความสุขทีนีแลเกเนลกความสุขมันแลก อ, อ, อะไรแลกความรู้สึกเพื่อจะมาซื้อความรู้สึกอันนี้ปลอบสนองจิตเราเอง ถ้าพูดตามลึกๆก็เป็นความรู้สึกม่ใช่ไม่ใช่อุชาความง่ที่เราไม่เกิดวิปัสนานนี้พอไ่ศึกษานม่เกิดวิปัสนาไม่้พอเปรู้เราก็ต้องไปทำตามตนี่สิ่งที่เราได้มาปีรรมมาเล่นเงินเล่นหลาเลนไเอไม่มีอะไรสิ่งที่ได้มาด้วยการอูชาหรือไม่ก็นเลย อย่างลูกหลานมีเงินทองเอาไปเนี่ยเหมือนบูชาถ้คุณไม่ยากทํามันเราจเกิดในปีใหม่บูชานั่นเราไปว่า้เอาใจบูชาเขาก็พอใจบูชานั่นเป็นไรแต่ส่วนมากเราทาอย่างนี้คือทำด้วยความเ่าร้อนทำด้วยความแกล้งูกแก่กีเกเสียงนี่เหมือนกันนะ หงส่างดูชีวิตเนี่ยหาสีที่ประเสริฐนะแล้วทราท่านจะได้สิ่งที่ประเสริฐต่อแทนวันวันตื่นมาทาวัดสวดมนต์มันต้องึมซับเข้าไปแต่พ้งาสายสดือคสอนที่เรี่สอนนาิสูจน์เนี่ยรูปบางริจังรูปบาระตารูปางริจังรูปบางรูปนีรูปนี้รูปนี่รูปนี้รูปนี้รูปนามรูปนี้ด้วยรูปนามเลย รูปองค์ที่เจ็บของไม่เที่ยงนเนี่ยรูปองค์นาจาไม่ใชของตัวเองนะไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนนะมันเป็นความรู้สึกอะไรถ้าเราไปต้องแจ้งความรู้สึกนะเป็นผู้หญากคือกลับกลายคืนสู่ธรรมชาติเต็มที่เลยทีนี้เราไ ม, ม่คืนสู่ธรรมชาติเป็นของกูอะกายกูตัวกูหัวกูเนื้อกูทภาพจังหวัดของกูโลกของกูประเทศกูสถาบันกูทราบมันเป็นกูคืนความรู้สึกนี้ให้กับธรรมชาติซะ ทำได้เมื่อไหร่มันไม่มีกรุงไม่มีมมมแต่งอะไะเป็นวิญญาจริงหรือนี่ลูกกูเสียงกูกินกูลดกูน่าโกรธนะถ้าอยาอยู่ในโลกนี้แบบปลอดภัยก็ใส่ใจการเจริญสติใส่ใจการปฏิบัติกรรมีสติไว้มืนนมีอาวุธผลตกมาตาบกเลย เขาไปในป่าเจอปัญหาคว้าปืนมาได้เลยเหมือนกันกระทบตั้งๆหัวจมูกนี่าจใจอารมปลี่มีสติยิงมาให้เลยอยู่ป่าความกลัวเกิดขึ้นไม่มีเนี่ยความกลัวไม่สามารถทำอะไรเราได้อยู่ในป่าไม่กลัวอะไรอยู่ใน้บ้างไม่กลัวอะไรพูปวนตถิ์เสียงความเครียมันไม่มีเนี่ยพราะเรามีอาวุธไย ปัญญาวุธปัญญานุฒปัญญามีปัญญาปัญญาวุธไปไหนมาไหนม่จะรัาลื่นุกดับมู้ดดีดีเด <c oughs> จะพาไปเล่นโยกงมออกร ล, ลังกายเพิ่มขึ้น เดินไปแถวโดยพูดถึงวตกำหนดเท้าท่านให้รู้สึกตัวไม่ต้องใส่องเท้าให้มันหนาตายเลยโดยพผู้ดีทีแดงนี่ยมันจะหน้วาถ้าทีหนาัมรักนัะไรองไปกับข้มาจะ้ปัป่วทั้งความอ่าเอินั้นสภาพเคยเสียงเสียงระฆัง รวมกันเพื่อฝึกการเตรียมคพร้อมนะเพราะถ้าต่างค น, นต่างเข้าปฏิบัติคำนี้มันไม่มารวมกันคนมันงงมันก็แตกหายทั้งออกนะแต่ถ้าตีํามันรวมกันมันคบกังไปมันก็จะเอาใจใส่กันเตรียมตัว